พวกเขากล่าวว่าเธอแปลกใจต่อพระบัญชาของ oh a, อัลลอื์ความเมตตาของอัลละ์และความจำเริญของพระองค์จงประสบแด่พวกท่านโอ้ครอบครัวของอิบรยฮิม แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญผู้ส่งประเสริฐยิ่งครั้นเมื่อความตระนุกได้คลายไปจากอิบราฮีมแล้วและข่าวดีได้มาอย่างเขาเขาก็โต้เถียงเราในเรื่องของกลุ่มชนลูดอิอิบราฮิมละฮลิมอวาม แทจิงอิบราฮิมนั้นเป็นผู้ขันติจิตใจอ่อนโยนกลับตัวสู่อลัลลอฮฺเสมอโออิบราฮิม จงหันเห อ, ออกจากเรื่องนี้เถิดแท้จริงพระบัญชาของพระผู้บาลาของเจ้าได้มาถึงแล้วและแท้จริงพวกเขานั้นการลงโทษที่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจะมาอย่างพวกเขาอย่างแน่นอน และเมื่อบรรดาทูตของเรามาไลาก้าได้มาอย่างดูดเขาเป็นทุกข์ต่อกลุ่มชนของเขาและหนักใจต่อพวกเขาและกล่าวว่านี่เป็นวันอันเลวร้ายยิ่งว่าจะฮูกลมฮูยุราอนเลัย كان قال ا أ ِنْ كَانُوْ يَعْمَلُونَ بَنَاتِيهُنَّ تُخْزُونِ قَبْلُ قَالَ قَوْمِهَا السَّيْئَاتِ أُولَاءِ لَكُمْ اللَّهَ وَلَا مِنْكُمْ يَا فِي ضَيْفِيَ أَلَيْسَ فَاتَّقُ أَطْهَرُ رَجُنُ الرَّشِيدُ และคมชนของเขาได้มาหาเขา พวกเขารีบร้อนมาอย่างเขาและก่อนหน้านั้นพวกเขาเคยทําความชั่วเขากล่าวว่าโอกลุ่มชนของฉันเอย๋ยโอกลุ่มชนของฉันเอย๋ยเหล่านี้คือลูกสาวของฉันพวกนางนั้นบริสุทธิ์สําหรับพวกเจ้าดานั้นพวกเจ้าจงยำเกรงออเอาล่อเถิดและจงอย่าทําให้ฉันขายหน้าต่อแขกของฉันเลยไม่มีคนที่มีสติสำบัญชัญญะในหมู่พวกเจ้าบ้างหรือ ก็ลก็ดลจะลบหอมานรเดพวกเขากล่าวว่าโดยแน่นอนท่านก็รู้ดีว่าเราไม่มีสิทธิในลูกสาวของท่านและแท้จริงท่านก็รู้ด um ีถึงสิ่งที่เราปรารถนาอลลวันดีบคุมกทเอาอวลรุนชดีเด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 และคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้เหลียวหลังมองเว้นแต่พัญญาของท่านแท้จริงจะประสบแก่นางเช่นเดียวกับที่ได้ประสบแก่พวกเขาแท้จริงเวลานัดหมายของพวกเขาคือเวลาเชา้าเวลาเช้านั้นใกล้เข้ามาแล้วมิใช่รื่อ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 ب ب ถูกตราเครื่องหมายไว้ณที่พระผู้อภิบาลของท่านและมันไม่ไกลไปจากบรรดาผู้อาธรรมเลยว่าอีละมดี أن أخاهم شعيبا قال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غير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 และโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงให้ครบสมบูรณ์ในการตวงและการช่างอย่างที่่ิ่งทำและอย่าให้บกพร่องแก่ผู้คนซึ่งสิ่งต่างๆของพวกเขาและอย่าก่อกวนในแผ่นดินโดยเป็นผู้บวชทำลาย م م สิ่งที่เหลืออยู่ของอัลลอ น, นั้นดียิ่งสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้สัทธาและฉันไม่ใช่เป็นผู้ปกป้องพวกเจ้าได้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 หรือว่าให้เรากระทําต่อทรัพย์สินของเราตามที่เราต้องการกระดันั้นหรือถ้าจริงท่านนั้นเป็นผู้ขันติเป็นผู้มีสติปัญญาชะลิวฉลาดอาลยาควมอะไร أ ุ ت มอินคุณตุ على บายนติมินรับบี و รั ز คนีมินหุริศกันหสนา أُرِيدُ أُرِيدُ أُخَالِفَكُمْ เขากล่าวว่าโอ้กล wow, ah ุ่มชนของฉันพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือ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 ฉันขอมอบหมายและยังพระองค์เท่านั้นฉันจะกลับไปหาและโอ้กลุ่มชนของฉัน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 <differences S 2> และพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและจงกลับตัวต่อพรุ่มแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงรักใคร่เสมอ พวกเขากล่าวว่าโอสุยบเราไม่เข้าใจส่วนมากที่ท่านกล่าวและแท้จริงเราเห็นว่าท่านเป็นคนอดแอร์ในหมู่พวกเราถ้าไม่ใช่เพราะครอบครัวของท่านแล้วเราจะหินคว้างท่าน และท่านไม่ได้เป็นผู้มีเกียรติเหนือพวกเราเลยขยาาอลุมนอัครอัองันเทอมากิ่อะนนเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันครอบครัวของฉันเป็นที่นับถือแก่พวกเจ้ามากยิ่งกว่าอัลลอฮ์กระนั้นหรือ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 แล้วอกลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงกระทำตามแนวทางของพวกเจ้าฉันก็จะทำตามตามแนวทางของฉันแล้วพวกเจ้าก็จะรู้ว่าผู้ใดที่การลงโทษจะประสบแก่เขาจะทำให้เขาอดสูและผู้ใดที่เขาเป็นคนโกหกและพวกเจ้าจงคอยเฝ้าดูเถิดแท้จริงฉันอยู่ร่วมกับพวกเจ้าคอยเฝ้าดูอยู่ด้วย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 ที่สมุตรได้ห่างไกลามาแล้วและโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซามาพร้อมด้วยสัญญาต่างๆของเราและหลักฐานอันชัดแจ้งอิลาฟิรหาวนวะมละอีธีพัตบ ع ูอำรฟิรหาวนวะมาอำรฟิรหาวนบิรชีด อย่างฟฟรอูนและบรรดาผู้นำของพวกเขาพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของฟฟรอูนและคำสั่งของฟิรูนนั้นไม่ชานฉลาดเล ย, ย ر, เขาจะนำหน้ากลุ่มชนของเขาในวันประโลกและนำพวกเขาลงนรก และมันจ่างเป็นทางลงที่ชั่วชา่ายิงและพวกเขาถูกติดตามด้วยการสาบแช่งในโลกนี้และวันประโลกมันจ่างเป็นความช่วยเหลือที่ชั่วชายิ่ง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 ت ت ب ب และเราไม่ได้อาทธรรมต่อพวกเขา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 د د. และเช่นนี้แหละคือการลงโทษของพระผัววิบาลของเจ้าเมื่อพระองค์ทรงลงโทษตำบลหนึ่งซึ่งเป็นตำบลที่อาธรรมแท้จริงการลงโทษของพระองค์นั้นเจ็บแสบสาหัสอินนาฟีดาลกะลาายต์ลิมันข้อฟะอัลอาครหดาลกะย่อมม์มจมูกละห์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 ي ي วันที่เมื่อมันมาถึงไม่มีชีวิตใ ด, ดจะพูดได้เว้นแต่โดยอนุมัติของป ร, รงุงดังนั้นในหมู่พวกเขาจะมีผู้ที่เป็นทุก์และผู้เป็นสุขฟมมมลลดชหหว ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีทุก์ก็จะอยู่ในนรกสำหรับพวกเขาที่อยู่ในนั้นคือการถอนให้ใจและการสะอืดี่นควกเขาจะพํานักอยู่ในนั้นตลอดกาลตราบเท่าที่ชั้นฟ้าและแผ่นดินยังคงอยู่ เว้นแต่ที่พระพู้อภิบาลของพวกเจ้าส่งประสงค์แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้กระรมโดยเด็ดขาดตามที่พระองระส่งปร a สงค์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 فلا تكُفِ م มมมِ ر ْ ي َ ة م ِ م َ ا يَعْبُدُهَا أ ُ ل َ ا مَا ي ع ب ُ د ُ و ن َ إ ِ ل ّ ا كَمَا ي َ ع ب ُ د ُ أ َ ب ا ؤ ُ ه م م ِ ن ق َ ب ْ ل و َ إ ِ ن َ لَمْ و َ ف ه ُ م ْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ م ن ق ดังนั้นเจ้าจงยายอยู่ในการสงสัยจากการที่เขาเหล่านั้นเคารพพักดีเลย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 และโดยแน่นอนเราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่มูซาแล้วได้เกิดการขัดแย้งกันขึ้นในคัมภีร์นั้นและหากมิใช่ลิขิตและได้บันทึกไว้ที่พระพุทิบานของเจ้าแล้วแน่นอนก็คงจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาและแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้สงสัยก็ย่อมอยู่ในการสงสัยต่อคำพี์เรื่อยไป และแท้จริงพวกเขาทั้งหมดพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงตอบแทนแก่พวกเขาอย่างครบถ้วนซึ่งการงานของพวกเขาแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งที่พวกเขากระทำ เจ้าจงยืนหยัดดังที่เจ้าถูกบัญชาวไว้และผู้ที่ขอพยโทษกับเจ้าและพวกเจ้าอย่าได้ละเมิดแท้จริงพระองค์ทรงรู้เห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ล م م และพวกเจ้าอย่าเห็นชอบไปกับบรรดาผู้อาธรรมไฟนรกจะสัมผัส พ, พวกเจ้าและสำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครองใดๆนอกจากอัลลอฮ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 าที่ลและเจ้าจงอดทนและแท้จริงอัลล์นั้นจะไม่ทรงทำให้รางวัลของผู้ทําความดีสูญหาย م م ทำไมในศตวรรษก่อนพวกเจ้าจึงไม่มีปัญญาชนช่วยกันห้ามปรางการบ่อนทำลายในแผ่นดินเว้นแต่จำนวนน้อยเท่านั้นจากผู้ที่เราได้ช่วยให้พวกเขารอดพ้น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 โดยที่ผู้คนในหมู่บ้านนั้นเป็นผู้ฟื้นฟูทงความดีและหากพระพูดบิบาลของเจ้าทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงทำให้ปวง ม, มนุษย์เป็นประชาชาติเดียวกันแต่พวกเขาก็ยังคงแตกแยกกัน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 ้้้าจในนนนรกกัเต็มไปดววยพวิและมนุษย์ ท, ทั้งหมดนี้เราได้เล่าให้เจ้าฟังจากเรื่องราวของบรรดาศาสน า, าทูตเพื่อทำให้จิตใจของเจ้าหนักแน่น และได้มายังเจ้าแล้วในเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งความจริงและข้อตักเตือนและข้อดำลึกสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายจงกล่าวเถิดมฮัมหมัดแก่บรรดาผู้ไม่ศรัทธาว่าพวกเจ้าจงกระทําตามแนวทางของพวกเจ้าเถิด แท้จริงเราก็เป็นผู้กระทำเช่นกั น, น, น, น, นและพวกเจ้าจงคอยดูเถิดแท้จริงเราก็เป็นผู้คอยดูและบุทธเจ้า ل งคอยดูเถิดแท้จริงเราก็เป็นผู้คอยดู